ก็ความในจริยาปิฎกที่เป็นป ก, นากาณะคาถาเพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เพื่อบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งผู้ที่มีความเข้าใจในการปฏิบัติ บ, ตบารมีนั้นจะต้องมีการแจกแจงขยายรายละเอียดเกี่ยวกับบารมีได้ทุกแง่ทุกมุม ซึ่งมาจากคำถามที่ว่าบารมีนั้นคืออะไรหรือชื่อว่าบารมีนี้เพราะอัฏฐาว่ากไรบารมีมีกี่อย่างลำดับของบารมีนี้เป็นอย่างไรอะไรเป็นลักษณะรสะปจจุปทานปทฐานของบารมีอะไรเป็นปัจจัยแห่งบารมีอะไรเป็นความเศร้าหมองแห่งบารมีอะไรเป็นความผ่องแผวแห่งบารมี และอะไรเป็นปฏิปักษ์เป็นข้าศึกสิ่งที่เป็นศัตรูของบารมีอะไรเป็นข้อปฏิบัติแห่งบารมีและบารมีนั้นมีการจำแนกอย่างไรบารมีนั้นสงเคราะห์ให้ย่นย่อลงได้ไหมแล้วก็อะไรเป็นอุบายให้สำเร็จบารมีบารมีเหล่านี้จะสร้างสำเร็จโดยเวลาไหนนน่ก็มาขึ้นว่าอะไรเป็นอานิสงส์ของการสร้างบารมี อา น, นิสง์ของการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นอย่างไรอันข้อความในปกิน์นาคคาถาเจริยาปิดกหน้า665เทตอบคำถามเหล่านี้ว่าอะไรเป็นอา น, นิสง์ท่านพันนาะอา น, นิสงค์ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้สะสมบุญญาพินิหารเอาไว้อย่างนี้นะตัวอย่างว่าพระโพธิสัตว์ผู้สะสมบุญญาพินิหารหมายคําว่าสะสมอภินิหารตั้งความปรารถนาะ เพื่อบรรุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสั่งสมบารมีมีทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาและอุเบกขาทั้นบารมีเหล่านั้นที่ท่านสะสมไว้ดีแล้วท่านจะไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพสิบแปดประการ ท, ที่อย่างที่เราสดสดกันว่านะขอให้ข้าพเจ้า พลจากกรรบรนชั่ชาทั้งหลายอ่ะแล้วก็อีกคํหนึงอกไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพ18อย่างอย่างนั้นอาภัพ18อย่างนั้นก็ดูว่านรชนทั้งหลายนรชนคือพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงต่อโพธิญาณคือพระโพธิสัตว์ที่เป็นนิยตะโพธิสัตว์เป็นผู้แน่นอนที่จะตรดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตนั้น ท่านจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะทั้งปวงอันนะี้ก็คือไม่เป็นคนพิการจะไม่เป็นคนพิการอะไรงั้นะสมบูรณ์ด้วยกล่าวว่านะมีครบทั้ง32ว่างนั้นเถอะครบทั้ง32ภาษาไทยเขาใช้คําว่า32มสิถ้าญี่ปุ่นเขาเรียกครบ5ครบ5หัว1แขนสองขา2ว่างนั้นครบ5นะครเขาถือเอาอวัยวะแบบง่ายๆเลยนะถ้ามีหัวมีแขนมีขาใช้ได้ครบ5 แต่ถ้าของไทยเราจะนิยมมา32แต่จริงก็ครบ5้านั่นแหละนะย่อๆทีนี้การท่องเที่ยวของท่านในการสร้างบารมีเนี่ยนะเป็นไปตลอดการยาวนานนานแค่ไหนก็อย่างที่กล่าวว่าถ้าเป็นปัญญาธิกะโพธิสัตว์ก็สี่อสงไขยแสนกับถ้าเป็นศรัทธาธิกะโพธิสัตว์ก็8อสงไขยแสนกับถ้าเป็นวิริยาธิกะ ก็สิบหกอสงไขยแสนกับแต่ก็เป็นผู้แน่นอนรับประกันได้เลยว่าท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่แต่ขอเวลาหน่อยเหมือนกันขอเวลาทำอะไรบอกขอเวลาสะสมบา ร, รมีขอเวลาให้ทานก่อนเหมือนกันขอเวลาให้ให้ทานได้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ขอเวลารักษาศีลขอเวลาเจริญเนคขมมะเนี่ยนะขอเวลาเจริญบุญกุศลทั้งหลาย ขอเวลาสะสมบุ ญ, ญะสะสยะสัมภาระสะสมญาณสัมภาระจนกว่าจะเต็มเปี่ยมได้ตรัสรู้แต่ก็รอหน่อยเข้าวั้นทีนี้ระหว่างที่ท่านท่องเที่ยวไปยาวนานอย่างนี้ท่านจะไม่เกิดในอเวจีมหานรกเนยะไม่เกิดในอเวจีมหานรกซึ่งสภาพของอเวจีมหานรกนั้นโดยทั่วไปจะอธิบายว่าเป็นเหมือนกับห้องสี่เหลี่ยมห้องสี่เหลี่ยมที่ใหญ่มากเนี่ยนะ แล้วก็ไฟพุ่งมาจาก6ทิศไฟนี้พุ่งมาจากทิศทั้ง6หมายถึงว่าจากข้างบนจากข้างล่างจากข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังเลยนะแล้วก็ไฟก็เรียกว่าไฟเอเวจีเนี่ยก็ว่าดูตาธรรมดาดูประมาณเป็นร้อยรกิโลก็ยังตาบอดเรียกว่าความร้อนแรงแห่งแสงอันนี้มันร้อนแรงมากเรียกว่ามันคงไม่ใช่ไฟธรรมดาแต่มันเป็นไฟที่เจือด้วยพิษหลายอย่างนะ ด้วยพิษหลายอย่างแล้วก็ไฟอันนี้มีความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งตรงั้นเจ็บปวดไม่รู้ว่ามันมั น, ม, นมันทะลุกระดูกไปเลยนะมันปวดทะลุแล้วก็มันระลอกแห่งไฟที่เจ็บปวดนั้นไม่มีอะไรขั้นก็เลยเรียกว่าอเวจีอเวจี v นี่แปลโดยศัพท์แปลว่าไม่มีอะไรขั้นมันเหมือนกับว่าเปลวคลื่นเปลวไฟเนี่ยนะสืบเนื่องกันไปโดยไม่มีอะไรขั้นเลยไม่มีระหว่างแห่งเปลวไฟ ในในหนึ่งในที่สองเขบอกว่าสัตว์แอาอัดกัน ย, ยัดเยียดอยู่ไม่มีช่องว่างเลยแต่ก็อยู่พอดีนะอยู่พอดีเป๊ะเลยนะเขบอกว่ายัดเยียดอยู่เหมือนธนานแป้งแป้งอะไรนะเหมือนแป้งในกระป๋องอนะธนานดีบุกก็คือแป้งในกระป๋องเรียกว่าเต็มเปี่ยมก็เลยเรียกว่าอเวจี v G, ของนั่นมันก็พระโพ ธ, ธิสัตว์ท่านจะไม่เกิดในอเวจี v G, ก็เท่ากับปิดนรกได้ห้องใหญ่เลยนะห้องนึงแต่ก็นรกอื่นก็ไปนะ แต่ว่าพูดเฉพาะไม่ไปแต่เวจีนรกเนี่ยนะที่มันคือมันร้แรงเจ็บปวดที่มันเหมาะกับคนกรรมบาปหยาบช้านนะแล้วก็ท่านไม่ไปในโลกันตานรกในนะโลกันตนรกที่อ่ระหว่างคือว่าอยู่ในขอบเขาจักรวาลเนี่ยนะคือจักรวาลเนี่ยท่านบอกว่าคล้ายๆกับเหมือนกับล้ อ, อกเกวียนเนี่ยล้อเนี่ยนะเหมือนลูกบอล3ามลูกอะ่ะ มาชนกันเนี่ยมันจะมีช่องตรงกลางไอช่องตรงกลางนั้นน่ะดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นต้นเนี่ยส่องไม่ถึงมันจะมีความเยือกเย็นมากเนี่ยนะแล้วก็มีน้ํารองภูเขาจักรวาลน้ําเย็นที่ผสมเป็นน้ํากรดเนี่ยนะเป็นน้ําเย็นที่ผสมน้ํากรดที่เรียกว่าถ้าตกไปแล้วเนี่ยมันจะมันจะละลายเลยเหมือนเม็ดฟู่อะที่ละลายลงไปในน้ำํำเราก็จะฟู่ละลายไปอย่างนั้นนั่นแหละเหมือน พวกยาเม็ดฟูนะตกลงไปในน้ํามันจะละลายไปอย่างนั้นแล้วก็จะมาเกาะเขาขอบจักรวาลใหม่แล้วก็ตกไปแล้วก็ฟูหายไปเลยนะแล้วก็เย็นจะเยือกเนี่ยนะครัจรวดความเย็นเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จะไม่ไปตกโลกันตนรกแบบนั้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโลกันตนรกเนี่ยมันคงมีพิษมีอะไรอยู่ในน้ําเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่น้อยอ น, นะถ้าหากว่าศึกษาศึกษาจักรวาลวิทยาหรือพวกนี้อาจจะได้รายละเอียดบ้างว่าทําไมมันเจ็บปวดขนาดนั้น แต่ที่แน่ๆมันทุกข์มากก็คือสองข้อนี้พระโพธิสัตว์นั้นจะไม่ตกนรกที่มันร้อนเกินหมื่นองศาว่างั้นแทร่ร้อนขนาดนั้นไม่แล้วที่มันเย็นติดลบชนิดผสมน้ํากรดนี่ก็ไม่มีแล้วก็ไม่เกิดในนิชามะตันหิกะเปรตขุปปิบาษาสิกะเปรตและกาลัญชิกาเปรตพวกนี้กลุ่มเปรตหรืออสูรเปรตกลุ่มนี้ก็คือเปรตที่อดอยากคิว้วห้ยแร้งแค้นเนี่ยนะ หมายถึงว่าอย่างเช่นเรว่าพวกกลมอะไรนะสูจิมุกขีเปรตก็คือปากเท่าเข็มท้องโตเท่าภูเขาอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มเปรตที่อดอยากหิวโหยเหล่านี้ที่คอยเก็บกินน้ำลายที่คนถมลงไปเก็บกินพวกอุจจาระปัสสาวะหรือกลุ่มพวกซากสัตว์ตายตา ย, ตา ย, ตายข้างถนนหนทางเป็นต้นพระโพธิสัตว์ท่านจะไม่เป็นคนอาภัพแบบนั้น จะไม่อาภับตกยากถึงขนาดเรียกว่าต้องเก็บน้ำลายเขากินเงน้นนะเก็บอุจจาระเกบปัสสาวะเก็บเอาอย่างเช่นว่าคนที่เดินเหยียบน้ำแล้วเลือดมันหยดติงๆแล้วก็ต้องไปเก็บพวกเศษชนิดนั้นกินเศษเนื้อเศษเลือดเศษเศษซากสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ข้างทางข้างถนนหรือว่าในพวกขยะมูลฝอยท่านไม่อพับขนาดนั้นนะแต่ว่าเป็นจนทานเนี่ยเป็นไหมบอกเป็น แต่ว่าไม่ถึงขนาดอาภัพถึงขนาดเรียกว่าไม่แบบอะไรนะท้องหิวหิวซะจนเป็นและเปรดอดอยากหิวโหยเนี่ยไม่เป็นเพราะแม้แต่เกิดเป็นสัตว์เล็กๆต่ํากว่านกคุ้มก็ไม่มีเนี่ยนะเล็กกว่านั้นอ่ะไม่มีอีกแล้วอย่างเล็กสุดก็คือนกคุมอ่ะนะนกคุมเล็กกว่านั้นจะไปเป็นนกกระจิบนกกระจาเป็นมดเป็นปลวกเป็นแมลงเป็นตัวพึ่งเป็นตัวนอนตัวบุ้งตัวผีเสือ้อเล็กๆอะไรอย่างไงไม่มีเนี่ยนะ จะไม่เป็นไปเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยลักษณะนั้นพระโพธิสัตว์นั้นถ้าเกิดในมนุษย์โลกเมื่อกี้เนี่ยลักษณะว่าท่านไม่ใช่ไม่ไปอาบายแต่ไม่ไปอาบายในบางส่วน น, นะด้วยอนุภาพแห่งบุญญาพินิหารด้วยอนุภาพแห่งบารมีที่สร้างไม่ไปสู่นรกบางส่วน น, นะเช่นอเวจีนรกโลกนตนรกไม่เกิดเป็นเปรตบางประเภทแล้วก็ไม่เกิดเป็นสัตว์เล็ก อทีนี้ถามว่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นะถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในมนุษย์โลกจะไม่เกิดเป็นคนตาบอดแต่กําเนิด น, นะแต่ถ้าเท่าแชร์แกชร า, าไปแล้วตาพิการตาเสียหายอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติ น, นะนเช่นเป็นโรคบางอย่างแล้วก็ในที่สุดตา ก, ก็อาจจะเสื่อมตามีปัญหาอันนี้ก็คงไม่มีปัญหาแต่หมายถึงว่าไม่จะไม่เป็นคนที่ตาบอดมาแต่กําเนิดหรือเป็นคนหูหนวกมาแต่กําเนิดหรือว่าเป็นคนใบ้ นะไม่บอดแต่กําเนิดหนวกแต่กําเนิดไม่เป็นคนใบ้และก็ไม่เป็นอุพโตพยัญชนกเนี่ยนะอย่างอุปโตพยัญชนกเนะี่ยอุพโตแปลว่าโดยส่วนสองพยัญชนะก็คือเครื่องหมายเครื่องหมายส่วน2นิมิตเครื่องหมายส่วน2เช่นว่าสมัยก่อนเนี่ยมี15วันเป็นผู้หญิง15วันเป็นผู้ชายเนี่ยนะเรียกว่าสลับเพศไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพระโพธิสัตว์ไม่มีหรือบัณฑ์คนไม่มีเพศก็ไม่มี และพระโพธิสัตว์ผู้ได้รับพยากรณ์อย่างนี้จะไม่เป็นสตรีจะไม่อยู่ในสตรีเพศอันนี้ในส่วนของอวัยวะในส่วนของอวัยวะสรีระของพระโพธิสัตว์ส่วนในเรื่องของพฤติกรรมความประพฤติพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงหรือผู้แน่นอนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นพ้นจากอนันตริยกรรม5ตรงนั้นเขาแปลผิดนะพ้นจากนรกหมายถึงอนันตริยกรรม5 ท่านจะไม่ฆ่าพ่อจะไม่ฆ่าแม่ไม่ฆ่าพระอรหันต์ไม่ทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อกันดาท่านพ้นจากอนันตริยกรรม5ากรรมที่ทำให้ตกนรกโดยส่วนเดียวเพราะว่าอัธยาศัยของท่านเนี่ยไม่ได้หยาบช้าหยาบช้าถึงขนาดว่า เ, เจตนาแห่งการฆ่าไม่หยาบถึงขนาดฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหรันต์ แล้วก็ไม่มีจิตด้วยอำนาจโทสะที่รุนแรงถึงทำลายผู้มีพระคุณเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีแล้วก็ถึงท่านจะพูดคำพูดของท่านก็ไม่มุสาวะจนถึงกระสงแตกแยกกันท่านยังไม่ทาแบบนัน้นท่านก็เป็นพลที่พ้นจากอนันตริยกรรม5เป็นคนที่มีโครจรบริสุทธิ์ในที่ทั้งปวงก็แปลว่าเป็นคนที่เรียกว่าคนดีว่างั้นเถอะในสายตาของสังคมโดยทั่วไปเนี่ยยอมรับเลยว่า เขาเป็นคนดีเนี่ยนะเขาเป็นคนดีดีชนิดที่ีว่าหาข้อตําหนิได้ยากโคจรบริสุทธิ์ก็คือเป็นคนดีนั่นเองแล้วก็เป็นคนที่มีกรรมสักตาเชื่อในกรรมเรียกว่าเป็นคนที่รู้กรรมรู้ผลของกรรมเป็นอย่างดีเมื่อรู้กรรมรู้ผลของกรรมก็ไม่เสพมิจฉาทิฐิดเนี่ยนะไม่เป็นคนเป็นมิจฉาทิฐิ ปฏิเสธว่าการให้ทานไม่มีผลการรักษาศีลไม่มีผลผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีอยู่จริงพ่อแม่ไม่มีบุญคุณพ่อแม่ไม่มีพระคุณจะทำดีทำชั่วกับพ่อแม่ก็ไม่มีผลเป็นต้นท่านไม่ไม่เลวร้ายแบบนั้นนะท่านจะไม่ปฏิเสธว่าเออนรกเปรตอสุรกายปฏิเสธดีชั่วนะปฏิเสธแม้กระทั่งว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นจะไม่เป็นอย่างบางชาติเนี่ยนะยังบอกว่าเออเนี่ยอย่างเช่นชาติเป็น โชติปารามนพบอกว่าคติการะไปชวนว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าพระนาว่ากสปะเกิดขึ้นในโลกแล้วเนี่ยนะไอ้ความที่เกิดในชาติตระกูลที่ที่นับถือพรมมากแล้วก็ด้วยแรงแห่งมานะเนี่ยนะด้วยแรงแห่งมานะด้วยอกุศลหลายๆอย่างท่านก็ บ, บอกว่าไปหาทําไมส ม, มณะโลนเนี่ยนะเป็นตน้นไอ้ลักษณะนั้นอะ่ะพูดด้วยอํานาจมานะนะไม่ได้พูดด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิ ที่ปฏิเสธว่าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่มีจริงไม่ใช่แบบนั้นแต่นั้นด้วยแรงแห่งมานะเนี่ยนะด้วยแรงแห่งมาน ะ, ะด้วยความเมาเนี่ยนะมานะก็คือตกในความเมาเมาในชาติตระกูลเมาในศิลปวิทยาฐานะเมาในทรัพย์สมบัติเมาในความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นก็เลยไม่ไม่อยากเข้าไปเฝ้าแล้วก็กล่าวดูหมิ่นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าอันนั้นไม่ได้ทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิแต่ทําด้วยอํานาจของมานะ มันโดยรวมแล้วพระโพธิสัตว์ไม่เสพกรรมที่เป็นมิจฉาทิฐิทั้งหลายอันนี้ในส่วนของมนุษย์นะในส่วนของมนุษย์เนี่ยจะไม่พิการมาแต่กาเนิดไม่เป็นคนสองเพศหรือไม่เป็นคนที่ไม่มีเพศแล้วก็ไม่เป็นผู้หญิงพ้นจากอนันตริยกรรมแล้วก็เป็นคนที่เชื่อกรรมและผลของกรรมไม่เสพมิจฉาทิฐิทีนี้ถ้าเกิดในสวรรค์บ้างสวรรค์ ถึงอยู่ในสวรรค์ท่านไม่เกิดเป็นอสัญญาสัตว์เนี่ยนะไม่เกิดเป็นอสัญญาสัตว์ตาพรหมพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องสร้างบารมีโดยอาศัยทั้งรูปทั้งนามนะจะไม่ไม่อยู่ในพรหมที่มีแต่รูปอย่างเดียวหรือมีแต่นามอย่างเดียวเพราะในในคัมภีร์ก็ไม่ได้กล่าวว่าท่านเคยเป็นอรูปพรหมก็ไม่มีพรหมที่มีแต่รูปอย่างเดียวก็ไม่เป็นพรหมที่มีแต่นามอย่างเดียวก็ไม่เป็นแล้วพระองค์ก็ไม่มีเหตุให้เกิดในสวรรค์ชั้นสุดท้าววาด เพราะท่านไม่ได้เจริญอนาคามิมักเนี่ยนะไม่ได้เจริญอนาคามิมักที่จะไปปฏิสนธิในสุทธาวาสเนี่ยววิหาอตตปาสุทธาสาสุทธศีอกกนิฐานะไม่มีเหตุคืออนาคามิมักที่เป็นอุปนิสัย ป, ปัจจัยให้เกิดในสวรรค์ชั้นสุทธาวาสหรือพรมชั้นสุทธาวาสเพราะถ้าเกิดในสุทธาวาสแล้วจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเนี่ยนะจะไม่ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นจึงไม่มี การเกิดในอสัญญาสัตว์อารูประพรมและสุทธาวาสพรมทั้งหลายอันนี้เป็นเป็นบุญญาพินิหารของพระองค์เนี่ยนะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นย่อมน้อมไปในเนคขมมะจิตใจของท่านเนี่ยน้อมไปในการออกจากกรมไม่เกี่ยวข้องด้วยพบน้อยพบใหญ่คือไม่มีฉันทราคะเยื่อใยอาัลอาวในพบน้อยพพใหญ่ การท่องเที่ยวไปของท่านก็เพื่อประพฤติโลกัธิจริยาประพฤติประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งหลายเนี่ยนะจริยาก็คือความประพฤติอัตถาก็คือเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์สัมปรา라이พบหรือว่าช่วยสงเคราะห์ให้แก่เขาเหล่านั้นได้รับอุปนิสัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานพรานั้นพระองค์ไปณนภะพต่างๆถึงจะเวียนไวไหวตายเกิดอยู่ในภพต่างๆก็เวียนไวไหวตายเกิดเพื่อ ประโยชน์แก่โลกทั้งหลายเนี่ยนะเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกแล้วพระ อ, องค์ก็ไปเพื่อบำเพ็ญบุญบารมีในที่ทุกหนทุกแห่งเนี่ยนะเพื่อสร้างบารมีเพื่อให้ทานเนี่ยนะเพื่อที่จะบ่มคุณธรรมที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธกัลกฐธรรมพระ อ, องค์ก็ไปเพื่อสร้างบารมีให้บรรลุ ค, ความเป็นพระพุทธเจ้าเ น, นี่ยนะไปให้ทานไปรักษาศีลไปเจริญเน Gordon, คขมะไป พอกโลปัญญาเนี่ยนะไปภาพเพียรในการสร้างบารมีด้วยวิริยะก็คือไปทําบุญทํากุศลไปสร้างแต่คุณงามความดีที่เป็นอุปนิสัยให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อประพฤติ ป, ปฏิบัติตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะยังท่องเที่ยวในสังสารวัฏจวบจนอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราก็จวบจนเป็นพระเวสสันดรไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต ทีนี้พออยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตห้าร้ล้านปีเนี่ยนะก็จะมาปฏิสนธิเป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าได้การแล้วที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพอก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็มีชนิดธรรมะอันหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีอีก16ประการในอัจฉริยะอภูตธรรมสูตรนะกล่าวไว้ความหน้าอัศจรรย์เนี่ยนะ อัจฉริยะก็คือน่าอัศจรรย์อัภูตธรรมก็คือไม่เคยมีมาเลยเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีจะมีเฉพาะแต่พระโพธิสัตว์เท่านั้นมีอยู่16อย่างอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ในอัจฉริยะอภูตธรร ม, มสูตรว่าดูก่อนอ น, นุนพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะจุติจากเทพชั้นดุสิตแล้วอย่างลงสู่พระคันมานราาดาขณะนั้นก็มีแสงสว่างอันโอฬารเป็นต้นได้เกิดขึ้น แล้วก็มีสติสัมปชัญญะว่าตอนนี้เราจะจุติจากดุสิตและไปเกิดในสวรรค์แล้วรู้ด้วยว่าจุติครั้งนี้เนี่ยนะเพื่อปฏิสนธิและปฏิสนธิอันนี้จะเป็นปฏิสนธิครั้งสุดท้ายนะแล้วก็ยังมีการวิจัยเกิดการใไขครวนอย่างอื่นอีกมากมายซึ่งในมัชฌิมนิกายเราเรียนถึงอัจฉริยะอภูตธรรมสูตรก็คงถึงซึ่งตรงนี้ไม่ต้องการอธิบายละเอียดอย่างนั้นอันหนึ่งชนิดมีบุพนิมิต บุรพานิมิตคือเรียกว่านิมิตเครื่องหมายอันนะประกาศอีก32อย่างขณะที่ปฏิสนธินี่มีอะไรบ้างเช่นความหนาวก็ปราศจากคือความหนาวก็หายไปความร้อนก็สงบอันนี้ก็ด้วยผลแห่งบารมีที่พระองค์สร้างมาเนี่ยนะังั้นก็เกิดนิมิตมากมายในขณะที่พระองค์ปฏิสนธิหรือขณะที่หยั่งลงสู่คันมารดาหรือขณะที่คลอดจากคันแห่งมารดา หรือที่พระองค์ตรัสอีกว่าดูก่อนสารีบุตรเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูตรหมื่นโลกาธาตุนี้ย่อมหวั่นไหวสั่นสะเทือนนี่นะอันนี้ถ้าที่ลุมพินีวันเนี่ยก็หมื่นโลกาธาตุก็สะเทือนขณะที่พระองค์ประสูตรอันนี้ก็เป็นความน่าอัศจรรย์เป็นอนิสงค์ของการสร้างบารมีเนี่ยนะอนิสงค์ของการสร้างบารมีให้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์หรือว่าอนิสงฆ์แม้อื่นใดมีอาการแสดงไว้ในชาดก อันนี้สงของพระโพ ธ, ธิสัตว์ที่ได้บำเพ็ญแล้วเนี่ว่าความประสงค์ของพระโพ ธ, ธิสัตว์ทั้งหลายย่อมสําเร็จเสมออันนี้ถ้าหากว่าสั่งสมบุญมามาดีระดับหนึ่งนะท่านต้องการอะไรบ้างอ่ะที่ไม่สําเร็จขอให้ว่าท่านต้องการหรือเปล่าแค่นั้นเองความปรารถนาของท่านจะสําเร็จแม้กระทั่งว่าท่านอยากทําอะไรก็ได้นี่นะอยากจะเรียกว่าปั้นภาชนะทําให้มันวิจิตพิสดารอะไรขนาดไหนท่านก็จะทําได้นี่เป็นความอัศจรรย์ของผู้ที่สั่งสมบุญมา หรือแม้กระทั่งในพุทธวงศ์ที่จะได้ศึกษาต่ อ, ต อ, ตอไปเนี่ยนะก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์อีกหลายประการอย่างเช่นว่าเป็นผู้ชํานาญในกรรมเป็นต้นหรือความสําเร็จอะไรว่าทุกอย่างที่ท่านสําเร็จที่ท่านต้องการจะสําเร็จตามความประสงค์ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายคือท่านจะทําอะไรเนี่ยนะทำอย่างชํชนานิชานาญทําอย่างคล่องแคล่วแล้ ว, ลวท่านปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจะ สำเร็จอันนี้ก็เป็นอั น, นิสงของของท่านในโลกนี้มันจะมีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับว่าปรารถนาสิ่งใดและสําเร็จสมปรารถนาสิ่งนี้มันถือว่าเป็นสิ่งที่มันยิ่งยวดแล้วเนี่ยนะเพราะบางคนเนี่ยอาจเช่นว่าอย่างที่เขาบอกว่าไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะทําได้ทุกอย่างอย่างที่ตัวเองต้องการที่ไหนหรือไม่ใช่ว่าจะมีโน่นมีนี่แล้วถ้ามีอันนั่นจะได้อันนี้ถ้ามีอันโน่นจะได้อันนั้นมันไม่แน่เสมอไปเนี่ยนะแต่ว่าไม่เหมือนกับผู้มีบุญท่าอย่างพระโพธิสัตว์ผู้มีบุญผู้สั่งสมบุญ อนะขอให้ท่านต้องการเถอะถ้าสิ่งนั้นท่านต้องการจะสําเร็จสมประสงค์อันนี้ก็เป็นอ น, นิสงค์ของการสร้างบุญบารมีอันหนึ่งพึงทราบว่าอ น, นิสงค์มีคู่แห่งคุณธรรมมีอะโลภาอโทสะเป็นต้นอ่ะ น, น, นคู่แห่งคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะคู่แห่งคุณธรรมอโลภาอโทสะหรือคู่คุณธรรมแห่งสติสัมปชัญญะสัตตาวิริยะ ฮีรโอตปะเป็นต้นคุณธรรมทั้งปวงเหล่านี้ที่อบรมบ่มมาเป็นอย่างดีคุณธรรมเหล่านี้ก็ยิ่งเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอนิสงค์แห่งการสร้างบารมีเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเพราะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นเสมอกับบิดาของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับพ่อเหมือนกับพ่อของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะท่านมีความรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นลูกของท่านเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นตั้งแต่การสะสมอภินิหารเนี่ยนะท่านถือว่าอยู่ในตำแหน่งแห่งบิดาของสัพพสัตต์ตั้งแต่สะสมอภินิหารการตั้งความปรารถนาะเพื่อสแสวงหาประโยชน์สุกแก่สัพพสัตว์ทั้งหลายท่านก็เป็นผู้ควรแก่ทักษิณาเนี่ยนะถ้าหากว่าจะหานาบุญหานาบุญที่อื่นไม่ได้เนี่ยนะที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลพระโพ ธ, ธิสัตว์นั้นถือว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาซึ่ง ไม่มากแห่งนะที่จะอธิบายว่าผู้ควรแก่ทักศิณาเว้นไว้แต่พระอริยะบุคคลเป็นต้นก็มีพระโพ ธ, ธิสัตว์มีอะไรนี่แหละที่เป็นบุคคลผู้ควรแก่ทักษิณาหมายคือว่าควรแก่ทักษิณาก็คือควรแก่ของที่ทําบุญด้วยศรัทธาของที่ทําบุญด้วยเชื่อกรรมและผลของกรรมของที่ทําบุญโดยไม่ได้หวังอะไรจากผู้รับเลยเช่นอย่างสมมุติถ้าเราให้ให้ข้าวของเครื่องใช้ ข้าทาสกรรมกรอาจจะหวังเออแรงงานจะได้ดีขึ้นเป็นต้นหรืออาจจะทำอย่างอื่นเป็นการให้แต่ก็มีการหวังอยู่ในนั้นแต่ผู้ควรทักษิณาเนี่ยไม่ได้หวังอะไรจากตัวท่านเลยหวังแต่บุญประสงค์แต่บุญอย่างเดียวเท่านั้นฉันพระโพธิสัตว์นั้นจึงเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาเพราะว่าทักษิณาที่เชื่อกรรมและผลของกรรมหรือทักษิณาที่ทาไปแล้วอุทิศไปให้แก่เหล่ามนุษย์ทั้งหลาย พระโพธิสัตว์นั้นเป็นคนที่น่าเคารพเป็นผู้ที่น่ายกย่องและเป็นบุญเขตอย่างยิ่ง ถ้าหากว่าเราจะเคารพใครเนี่ยนะใครที่ว่าน่าเคารพน่าเคารพทั้งหลายอย่างเช่นในคำพี์ที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่น่าเคารพถ้าจะเคารพควรเคารพพระพุทธเจ้าถ้าจะเคารพควรเคารพพระธรรมควรเคารพพระสงฆ์ควรเคารพศิษข้าควรเคารพสมาธิควรเคารพความไม่ประมาทควรเคารพในปฏิสันฐานแต่ก็บอกว่าเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็คือบุคคลหนึ่งที่น่าเคารพ หรือถ้าจะยกย่องสรรเสริญเชิดชูผู้ใดพระโพธิสัตว์นั้นคือบุคคลที่น่ายกย่องและเชิดชูและเป็นบุญยกเกตเป็นนาบุญรู้ได้ยังไงว่าท่านเป็นนาบุญก็รู้สิเพราะท่านเป็นผู้ประกอบด้วยคุ ณ, ณวิเศษคุ ณ, ณพิเศษที่พิเศษกว่ามนุษย์ทั่วไปอนนะคือท่านมีศีลอนนะมีคุณธรรมมีสมถะมีวิปัสสนามีคุณธรรมอย่างอื่นเช่นศรัทธาเป็นต้น และโดยมากพระโพธิสัตว์เป็นที่รักของมนุษย์และเป็นที่รักของอมนุษย์อันนี้คือปกติพื้นฐานของท่านท่านจะไม่เป็นที่รังเกียจของประชุมชนอันมนุษย์ทั้งหลายก็ต้องการท่านเนี่ยน ะ, ะเป็นเรียกว่าเป็นที่เป็นที่ยินดีของมวลมนุษย์ทั้งหลายแม้แต่อัมมนุษย์ทั้งหลายก็ยังรักท่านหรือแม้กระทั่งทวยเทพก็คุ้มครองถ้าอ่านในชาดกเนี่ยจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ย เป็นผู้ที่มีเทวดาคอยคุ้มครองอยู่เสมอเนี่ยนะไม่ว่าจะไปอยู่ในป่าเป็นฤาษีอยู่ในป่าหรือไปเป็นใครก็ได้เนี่ยนะอยู่ในฐานะใดๆโดยมากมีเทพพยดาคุ้มครองถ้าตั้งคําถามว่าทําไมหนอท่านเหล่านี้จึงเป็นผู้มีเทวดาคุ้มครองก็เพราะว่าชีวิตของท่านที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยนะโดยมากท่านคบแต่คนดีถามวัคติของคนดีถ้าเขาเกิดแล้วไปเกิดที่ไหนก็เกิดใน เทวโลกหรือเกิดเป็นเทวดาเมื่อเขาเกิดเป็นเทวดาก็ระลึกถึงเพื่อนเก่าญาติเก่าเป็นต้นเขาก็จะต้องตามปกปักรักษากันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างแม้กระทั่งว่าอย่างเทพพัทธิดาคอยดูแล ถามพระเทพพรธิดานั้นคือใครก็คือแม่ของท่านในอดีตชาติเป็นต้นนั่นแหละก็คือชีวิตของท่านก็ครบแต่บัณฑิตทั้งหลายครบแต่ผู้ที่มีคุณธรรมคติของผู้มีคุณธรรมก็คือเกิดในสุขติเกิดในเทวโลกเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นเมื่อตามระลึกนึกถึงคุณก็จะมาคอยปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองพระโพธิสัตว์เพราะว่าพระโพธิสัตว์มีส่วนช่วยเหลือให้ท่านเหล่านั้นได้เกิดในสุขติโลกสวรรค์ อันโดยรวมๆชีวิตของท่านก็เป็นที่ปกป้องคุ้มครองของถวยเทพสัตว์ ร, ร้ายครอบงําไม่ได้เนี่ยนะสัตว์ ร, ร้ายเป็นต้นเนี่ยครอบงําท่านไม่ได้คือไม่มีอะไรจะครอบงําท่านแล้วโดยสันดานของท่านนะนะพูดแบบเนี่ยตรงนี้แปลตัวก็คือสันดานนี่แปลว่าชีวิตการสืบเนื่องแห่งจิตนิสัยของท่านนั้นอบรมอยู่ด้วยเมตตา ก, กรุณาเนี่ยนะคือความคิดของท่านเนี่ยโดยรวมๆก็คือว่า ท่านจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรจะช่วยคนอื่นให้พ้นจากทุก์ได้อย่างไรช่วยคนอื่นให้ประสบสุขได้อย่างไรมั้นชีวิตของท่านก็คือชีวิตเพื่อประโยชน์แก่สัสตว์อื่นดังที่กล่าวตอนต้นว่าท่านเสมอด้วยบิดาแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายบิดาทั้งหลายผู้มุ่งแต่เปลื้องทุกข์แห่งบุตรผู้ต้องการประโยชน์สุขแห่งบุตรฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ดำรงอยู่ด้วยเมตตาและกรุณาฉันนั้นท่านคิดเสมอว่า จะช่วยให้สัตว์พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรช่วยให้สัตว์ทั้งหลายประสบสุขได้อย่างไรเนี่ยนะ